คุณบาวิวครับเรื่องของร้านนวดกระชากขวัญครับเมื่อกี้ก็น่ากลัวไปแล้วมาที่คนนี้ครับคุณคิงคุณคิงนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เกินบอกไว้คุณคิงขอเล่าวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณคิงต้องต้องถือสินแน่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเกิดไว้นะครับว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาไปได้ยินได้ฟังมาน้องน้องพลอยเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่คุณคิงฟังแล้วเนี่ยคุณคิงต้องยกขาเลยฮะต้องหดขาขึ้นเลยอ่ะ เขาบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวจริงใช้ชื่อเรื่องว่าฉันอยู่ที่นี่ครับเป็นเรื่องของน้องพลอยที่ถ่ายทอดให้กับคุณคิงได้ฟังกันแล้วคุณคิงก็นำมาถ่ายทอดต่อให้กับคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ของเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่ ง, งนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อได้เรียบร้อยไปลุยกันต่อกับสายของคุณคิงครับสวัสดีครับคุณคิง คับสวัสดีครับพแดงโอ้โหนะฮะมีเฝ้ารอผมเฝ้ารอวันนี้เลยนะที่คุณคิงได้ได้กลิ่นไว้เมื่อกี้เมื่อกี้ฟังเรื่องของบาววิวไหมครับฟังครับนั่งฟังอยูอ่ครับน่ากลัววันนี้ฟังแล้วแบบลุ้นตามแบบเฮ้ยเออผมม่ถึงบรรยากาศในนั้านร้า น, นวดออกนะนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่า<อ>เรื่องเรื่องของคุณคิงนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองฟังอดูครับเพราะฟังน้องเคขาเนี่ยตอนรอบจนจนตัวผมเนี่ยผมฟังน้องเขาแล้วผมว่าคือวันที่ผมนั่งฟังแล้วผมผมนั่งเฉยไม่ได้ผมนอนหลังพีงพิงก็อี้และท่ายงข่าสิ่งโอเป็นเรื่องของน้องน้องพลอยครับใช่ไหมฮะที่เขามาเล่าให้คุณฟังเนาะครับมาว่าที่อยู่นี้นะพี่แดงผมเกินก่อนเลยนะพี่ครับเรื่องเนี้ยตอนที่ว่าผมจะฟังน้องเขาเล่าเนี่ย ทันทีเลยที่ตรงหน้าจอผมมผมมันมีขึ้นคําว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มอนี้อืปุ๊บอันนี้คือผมเราเราให้ก่อนนะแล้วพอผมมาถามน้องเขาเขานอกบอกอ๋อจังหวะที่พี่รอสายเรานี่คือว่ามันจะเป็นจังหวะส่วนกันเนาะเราก็ตรงมาอืบอกคี่ว่าเราเรียนอยู่มอไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเขาก็พูดกับอกว่าก็นี่หนูเป็นคนบอกเองว่ามอไหนอือาะมือเขาถามหนูว่าเขาถามผมว่าหนูเป็นคนส่งไว้ที่เหรอ เปล่านะอ่าหนูไม่ได้ส่งนะผมบอกส้มส้มขึ้นมาหน้าคอมหนูไม่ได้ส้มหนูไม่ส่งเพราะฉะนั้นผมก็จะเอายังไงเนะี่ยลองฟังดูนะที่ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยอืออือือคือว่าน้องเขาเนี่ยเขาเขาตอนนั้นเขาก็มีแฟนอยนะ่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาเคยแบบว่าไปมาหาตู้กันประมาณนั้นแล้วก็ทันี้ว่าอยู่อยู่มาอยู่มาแล้วเขาเลิกกับแฟนอืการที่มันเห็นสภาพห้องเดิมๆ เ, เนี่ยมันก็ก่อยมันถอดงนะัยเขาก็แบบว่าไม่อยากอยู่แล้ว พยายามที่จะไปนอนห้องเพื่อนอยู่ตลอดเพื่อนของเขาเนี่ยอ่ชื่อดาวถึงาะว่าแล้วเราไปนอนห้องเขาตลอดใช่ไหมฮ้องไปไปทุกวันเลยคือว่าทิ้งห้องเดองเลยอ่ะที่ไม่อยากอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจที่จะขอย้ายเพราะว่าเพื่อนเขาชวนว่าถ้าไหนไหนอะ่ะมานอนที่นี่ทุกวันแล้วทำไมไม่ยาม้ายมาอยู่รวมกันเฉลยอะ่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยห้องของเพื่อนเขาเนี่ยเป็นห้องที่เล็กๆอยู่ห้องธรรมดาแต่ว่า ไอ้พวกหอพักที่มีแอร์ติดแอร์เนี่ยถ้าอยู่ใกล้มหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขอราคาค่อนข้างสูงอคราวนี้ว่าไอ้ห้องที่เขาไปดูเนี่ยมันก็เดือนละห้าพันนะพี่นะเดือนละห้าพันเนี่ยเขาบอกว่ามันเล็กมากผมผมต้องบอกอะไรเดี๋ยวตอนนี้นะเพื่ออะไรจนะีี่ลองฟังต่อไปเลยห้าพันนะแต่มันเล็กมากครับเล็กมากจริงๆอ่ะเขาบอกว่า น, นอนสองคนตัดเลยอะ่ะมันอยู่ได้คนเดียวจริงไอ้ห้าพันเนี่ยครัขนาดห้าพันอะไรแล้วก็เขาก็เลยถามว่าย้ายหอมไหม เพื่อนเขาบอกไม่ต้องย้ายห้องข้างบนแหละห้องข้างบนแหละมันมีห้องที่กว้างกว่าอยู่ห้องหนึ่งผมเคยเห็นด้วยแต่ว่ามุสุก็จะต้องมีคนไปอยู่นะคงจะราคาสูงละมั้งเดี๋ยวลองไปถามห้องอ่าป้าเจ้าของห้องเอาเพื่อนน้องขวัญเขาเลยบอกได้ได้ได้ไก็ไปถามป้าคนที่เขาเป็นเจ้าของนั่นนะฮะเจ้าของเปืนไปถามเขาเขาเขาจําได้ว่าเขาไปถามเนี่ยวันที่สิบห้าพฤอจิกายน สี่ห้าเจ็ดเขาจำได้นะวันเี่ยเขาบอกมาโทรศัพท์เลยเพื่อที่จะยาะา้ายเข้าเข้าเข้าห้องนั้นนะตอนนี้เขาไปถามแล้วย้ายห้องเนี่ยป้าแกแสดงอากา ร, ปรแปลกๆก็คือตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่ถึงใครติดสอห้องเนป้าแกเดินไปกุลีบุตอไปอย่างนั้นอย่างนี้นะอืแต่ห้องเนี้ยป้าแกบอกอ๋อห้องวนสุดเหรออ่ะกุญแจส่งให้เลยนะอืมอยากไปดูเมื่อไหร่เพ่งไปดูได้เลยนะเขาเพื่อน มองหน้ากันนะแต่ก็ยังไม่สงสัยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่เมื่อก่อนไงตอนนี้เขาได้ย้ายมาอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะความไว้ใจละมั้งไว้ใจคุ้นเคยกันอะไรประมาณนี้ครับเขาก็คิดว่าอย่างนั้นอื ม, อมแต่ว่าไอ้ห้องที่เขาขึ้นมาเปิดดูเนี่ยเดือนละหมื่นนะพี่เดือ น, อนละหมื่นเขาสองเขาสองคนอนี่ยหารกันก็คือคนละห้าพันแล้วห้องมันมีแบบหรูทุกอย่างอ แต่สมมติว่าที่ที่ผมบอกว่าเดือนห้าพันกับเดือนหนึ่งมันต่างกันไงคือที่คิดว่าเดือนห้าพันเนี่ยห้องขนาดว่าคนดิ้นไม่ได้สองคนนี่คืออัดอยู่แล้วเดินส่วนกันชนกันแะแต่ห้องละหมื่นเนี่ยคือราคามันก็เพิ่มแค่เท่าตัวนึงออืแต่มันได้ห้องที่แบบว่ากว้างกว่ากันแบบหลายเท่าตัวแล้วมีระบงระเบียงออกไปนั่งข้างนอกด้วยออืเพราก็เลยว่าฮ้ราคามันต่างกันนิดเดียวเองคือมันนิดเดียวนะสําหรับพวกพวกเขาคือว่าก็ไหนห้องเล็กมันห้าพันแล้วอะถ้าเอาสองคน ที่เคยอยู่ห้องล้านฝัองคนมาดูงันมันก็ได้แล้วได้ห้องกว้างด้วยครับ<ส>แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเริ่มรู้สึกก็คือเพื่อนเขาคนที่ดาวเนี่ย<ส>เขาเหมือนเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่เขาจะมีอะไรอยู่ืนใจตลอดออื<ส>เขาก็บอกว่าว่าไม่ค่อยดีอยู่<ส>งั้นเอาอย่างนี้ออืเรามาลองทําอะไรกันทักอย่างแต่ยังไม่ตามความเชื่อบโบราณเนะี<ส>่ยในไหนก็ขึ้นมาบนห้องแล้วลองมองรอดใกล้วังขานด้วยข้าไม่มีอะไรค่อยตัดสินใจไว้เพื่อนชวนอย่างนี้เลยฮะเพื่อนชวนนี้ไงส่วนน้องคอยเขาแบบ เป็นคนแบบว่าเออยังไงก็ได้อะเขาเลยบอกอ่าถ้ามันสบายใจงั้นก็เอาเขาก็เลยทํากันครับพอทําการเสร็จก็ลองมองตะมองรถไต่ขวางขาปุ๊บมันใหญ่อืองอยีาขาเลยบอกเออทาไม่มีก็คือไม่มีคงไปของสุขไปเองละมั้งครับแต่ว่าก่อนคุณจะตัดินใจเราต้องถามแม่ก่อนเพื่อนเขาบอกอย่างนี้นะอืมท่า น, นี้มันแค่ผ่านไปวันสองวนันเขามีกิจกรรม ม, รร ม, มีการเรียนอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ห้องอึดอัดนะพี่แจ๊คน้องคอยเขาก็ถามทุกวันว่า เขาถามแม่งยังวะออน้องดาวก็เลยบอกว่ายังไม่ถามเลยขเอาเลยแล้วกันตัดสินใจเอาเลยแล้วกันออืเขาก็เลยบอกเอางั้นเลยเออ เ, เอาเลยอ้าวก็เอาไปถึงก็ลงไปวังเงินมาจงมาจำอะไรต่งางเสร็จปุ๊แล้วก็ย้ายของขึ้นไปอยู่อตอ น, นี้นักหนี่ <c oughs> เริ่มฟังตั้งแต่ชอดนี้นั้นตอนนี้ผมเรื่องฟังแล้ผมเริ่มค่อย ค, อยคอยเอาหลังพินก็ยี่เน<ช>ีะ <ๆ S 2> ่ะเขาบอกว่าขึ้นไป <c oughs> ้หงหออบน ห้มันเนีมันจะเป็นไอเหล็กอย่างันนะนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรที่มันเป็นแบบไม่เหมือนกระบอกสูบอ่ะพี่แจ็คเออกมาแล้วมันจะจะมีตัวล็อกทำแบบพี่จะไม่ให้ประตูจะปิดอ๋อมันเป็นตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งประตูเวลาเปิดมันก็ค่อยปิดค่อยค่อเปิดอะไรอย่างนี้โอเคครับอืมแล้วท่านี้น้องเขาก็คือว่าให้น้องคนที่ชื่อดาวเนี่ยเป็นคนลงเป็นคนของส่วนน้องพลอยเนี่ยจัดจัดของบนห้องอืม อาลืมบอกไปไอ้ห้องหนึ่หมื่นนี่คือน้ําไฟเขาเมารวมเลยนะพี่หมื่นก็จริงแต่น้ำไฟเมารวมเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยออืปิดกระจกไว้ปิดเลยว่าเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็คือว่าาจัดของมันร้อนนะเนาะอก็เปิดแอร์ทิ้งไว้คนชื่อดาวก็ลงไปตอนแรกเขาก็ลงไปช่วยกันนะจะพักหนึ่งเขาบอกจะพูดจัดของมุดแวมของแล้กันกะบอกได้ได้ได้นี้ก็จัดจัดใหญ่เลยอคนเดินเอาของก็เดินขึ้นมารอบแรกไม่เป็นไรพอขึ้นมารอบสองเนี่ยน้องคอยเขาก็ระหว่างนี้ก็ลังถันหลังจัดของเนี่ยประตูมันค่อยปิด อืมอืมอืมแกร่งมั ป, ประตูหรือว่ามันล็อกล็อกดีๆมันไม่ใช่เป็นแบบือนลูกบิดอะไรอย่างเง้ยแกร่งนิดเดียวครับเขาก็อ่านไปมองแล้วเคลื่อนเขาที่ขึ้นมานที่ดาวก็บนเฮ้ยมันจะปิดทำไมวะกุงถือของเต็มมืออืออะเขาก็ไปเปิดให้เขาก็ยิ้มเยาะตอนแรกวมนนี้พูดหลายก็ถิอมาแล้วมาแล้วไปครั้งเดียวเนาะเขาก็จับต่อพอจับต่อแล้วเขาเปิดประตูว่าเฮ้ยปตัวหนึ่งจะล็อกอีกออืเพื่อนเขาก็ลงไปประตูมันก็ปิดจังอือ เขาเริ่มเขาเริ่มเสียวแล้วน้องพลเริ่มเสียวแต่เขาบอกว่าเขาพยายามคิดหลอกเพลงว่ากูไม่เห็นกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วก็หาเพลงตัดของไปเพื่อนเขาก็บอีกว่าเฮ้ยมึ i, งจะเปิดประตูทําไมวะเขาไปตัดใจบอกว่าเชื่อไหมถ้ากูจะบอกว่ากูไม่ได้ปิดาอาจจะเป็นลมมั้งเพื่อนเขาบอกพลเขาบอกมึงดูได้เราเปิดหน้าต่างแล้วเบิดแอร์อยู่นะออืแต่เขาก็ไหม่ๆตัดสินใจแล้วอ่ะครับ เขาไมอยาพูดอะไรมากเลยจัดของก็พอของขึ้นนกครบที่เพื่อนเขาก็ไปจัดโซนในห้องน้ำในห้องน้าเนี่ยก็จะมีพวกทีมนั่นทีมนี้โฟมนั่นโฟมนี้ยาสระผมแล้วก็จะมีสเปรย์ดับกลิ่นสเปรย์พวกเป็นกลิ่นลาเบนเดอร์เขากกลาเบนเดอร์นะคราวนี้เขาก็เอากระป๋องนะเขาบอกกระป๋องมันยาวนะเป็นกระป๋องใหญ่ใช่ไหมครับเอาเข้าไปในห้องน้ำเพื่อนมาเดินผิดเขาแต่เขาก็เห็นอยู่นะแล้วเขาหันกลับมาจาของสะพัดได้ยินเสียกระป๋องสเปรย์มันดัง ก็เปนกงเป้งกงเ้งกงเ ง, บงเขาก็อ่านได้มองนได้เพื่อนก็ได้องมาหน้าเปดเปิดแหะหน้าแบบตกใจทีนี้แ่ะแล้วอไอฝาของสเปรยที่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้แกะเลยนะ ม, มันไม่มีการแกะฟองพลาสติกออกด้วยครับมันเปิดออกจากกันที่คิดว่ามันรุนแรงขนาดไห น, นอ่ะอืแล้วเพื่อนเขาก็เลยเดินออกมาหน้าแบบเตือนๆน่ะน้องพอช่ยถามนี่ทาอะไรผมงนนเสียงดังคโกลาหลระหว่างนี้เพื่อนเขาค่อนิ่งๆนะแล้วค่อยพูดพลอย อือแต่ก่องสเปร น, นี้มันหล่นอเออกูได้ยินแล้วครับแต่กูไม่ได้โดนมันอแล้วมันหล่นยังไงวะคือเขาบอกว่าเขตั้งไว้บนฝาตะโค่แต่พวกเขาปิดลงนะแล้วก็ตั้งไว้เขาตั้งไวเ้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาหันมาจาัดไปตรงตรงตรงอ่างหลังหน้าตรงหน้ากระจกที่จะมีพวกยานะปมอะไรเงี้ยครับกป่องเนี่ยมันกระเด็นแบบไปโดนข้างฝาอะไรแบบนี่อุ้ยเหมือนโดนปัดอย่างนั้นหรอ ถ้ามันโดนปักเลยครับเขาบอกอย่งนั้นอ่ะเขาก็เลยแบบที้ๆเขาบอกว่ที่กูเดินออกมาหน้าเดือดๆเนี่ยเพราะกูว่ามันไม่น่าจะกระเด็นอย่างนั้นเวลยเขาก็เริ่มมองหน้ากันแหละอ่าพอเริ่มองหน้ากันสร็จุดเนี่ยคือเขาเองเนี่ยเขามีความสงสัยอยู่นานแล้วกับเรื่องภูนินาเขาก็เลยเฮ้ยถ้ามันอไหนก็เอาแล้วงั้นวันแรกเนี่ยงงว่าจะลองห้องก่อนดีกว่าตัดหมูกระทาเลยพี่เชื่อมไหมว่าไอระเบียงด้านนอกนี่ไม่ใช่ในห้องนะระเบียงด้านนอก เป็นข้างบนสุดของเตกเแล้วเขามองไปได้เห็นได้หมดเขาบอกว่ามันกว้างขนาดที่เขาสามารถดึงไอ้ฟูกที่มันเป็นฟูกยางพาราทงกว้างอะนะดึงออกไปตั้งได้สบายแล้วก็นั่งบนฟูก แ, แล้วก็ปิ้งหมูกระท้าอยู่ข้างล่างอย่านั้มันกว้างมากอ๋อกว้างมากครับเขาก็นั่งกินหมูกระท้ะที่ไรกันไปเป็นสาาักพักระหว่างที่กินหมูกระทนนะแล้วเขาก็เปิดประตูไว้เงี้ยเงี้ยมันเขาได้ยินเสียงเคาจากข้างในห้องป๊อกป๊อก เขายางฟังว่าเสียงมาจากตรงไหนอน้องปล่อยจะโนกหน้าไปข้างในห้องนะเฮ้ยเสียงมาจากในห้องแต่เพื่อนเขาก็เลยแบบอว่าข้างๆอืมอันนี้มันเป็นจิดกันที่ไอ้ด้านหลังเนี่ยมันตรงระเบียงมันสามารถมองชะงูกันได้นิดนึงมันห่างกันพิดเอดีครับเขาก็เลยไปชะงูดูสองฝั่งพี่แจ๊คเขาบอกว่ามันไม่มีไม่มี ที่มีคนอยู่เพราะว่ามันไม่มีม่านที่นอนมันก็เป็นที่นอนล้นๆไม่นี้ไม่มีผ้าปูเตียงมันเป็นกระจกแล้วเปิดม่านเอาไว้อะมันไม่มีม่านมองเข้าไปที่สองฝั่งไม่มีคนอยู่แสดงว่าห้องข้างๆทั้งสองฝั่งขนาดข้างไม่มีคนอยู่เลยไม่มีครับเอาแล้วเขาไม่มีคนมาเจอร์แล้วจินเลยเขมเขาก็เริ่มแบบนั่งคุยใช่ไหมผู้เช่าแล้วนะเนี่ยแล้วมาออกอะไรตอนนี้วนเนี่ยอืมเขาบอกบ้ามึงคิดมากไปได้ครับ อ่ะโอเคปลอดใจกันทําอะไรเสร็จปุ๊บก็เจ็บของเอาพูกเนี่ยดึงเข้าไปนอนแต่ฟวกเนี่ยนะเขาไม่ดึงขึ้นไปบนเตียงนะพี่เขาดึงไปวางก้างๆคือเด็กวัยรุ่นแหะผู้หญิงคือรากไปปุ๊บอนนอนแล้วกูไม่ไหวกูอิ่มอย่างเงี้ยปารนอนกันอยู่ไอ้บนเตียงมันก็จะเป็นเพียงแค่ไม้อะที่วางอยู่บนโคงได้ถูกไหมครับครับอันนี้น้องพลอยเนี่ยเขาก็นอนนอนเล่นโทรศัพท์อยู่เพื่อนเขาเนี่ยหลับไม่หลับมันอยู่ก็ไม่ได้มองหลอกหันหลังให้ นอนเล่นโทรศัพท์คือนอนเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นทุกอย่างอะ่ะก็พักหนึ่งเขาบอกว่าเสียงที่ทำให้เขาตกใจมากนะอื ม, มันเป็นเสียงเหมือนคนกระโดดกระทือบนเตียงไม้อัดบนข้างเขาเลยนะเขาบอกตกใจจนโทรศัพท์หล่นใส่หน้าเขาเลยนะ ม, มันดังมากอะ่ะอแล้วเขาบอกว่าทําไมหนูถึงรู้ว่าเป็นเป็นเสียงที่เตียงไม่ใช่เสียงที่อื่นแน่นอนเพราะอะไรพี่ก็เสียงไม้นั่นแ่ะมันขัดกับเด็กบนเตียงออแบบได้ยินชัดเจนลมดัง อแล้วไอ้ตัวเตียงเนะี่ยมันก็ไปกระแทกแต่กระจกเพราะว่ามันติดกับกระจกด้านที่ทิ่กันแอร์ด้านเนอกไนะงมันแตกเขาเลยบอกรู้ว่าเสียงรำไรจากเตียงแล้วมองเขาเพื่อนเตียงเนะี่ยยังนอนอยู่นิ่งๆไม่ได้โดนแล้วเสียงรนมาจากไอ้ไม้กระดานเตียงข้างบนเครับเขาก็เลยอืมว่าชักไม่ค่อยอยากอ ย, กอยู่แล้วแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยน้องพลบอกทุกวันนะเพื่อนเขานอนมักจะออกไปแบบไปเที่ยวกับแฟนบ้างไปอะไรบ้างเนะี่ยเขาอยู่ห้องคนเดียวนะ่ะเพราะเขาเพเลิกกับแฟนไงพี่ประมาณสองสาทุ่มเนี่ย สองทุ่มกว่ า, วาสองทุไปไป่มปลายปลายบาีก็สามทุ่มต้ น, ต, นต้นอย่างเงี้ยเสียงนี้นจะมาเวลานี้ทุกวันครับเสียงเคาะในตู้ในตู้เสื้อผ้ามันดังในตู้เสื้อผ้านะแจ็แจ็คแจ็คเหมือนคนเอาเล็บเอาหลังมือขคา อ, อย่า น, น, นะครับออื <c oughs> แล้วก็เขานอนฟังอยู่นางเขาก็เลยเคยพูดกับเพื่อนเข า, า, าว่าเออดาวเมียจะบอกว่าครับว่ากูได้ยินเสียงอะไรทุกคืนเลยดาวบอกมึงคิดมากออ คิดมากไปเองอยู่คนเดียวฟุ้งคือพยายามพูดทั้งทั้งที่จริงจริงเนียเขาก็รู้ว่าเพื่อนเขาน่ะก็กลัวเลยพยายามเปลี่ยนเรื่องแต่เพื่อนเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะเชื่อว่ามันมีคือปหมูปีกตายอย่างไรไม่เชื่อได้ยินก็บอกว่าไม่ได้ยินอแล้วน้องคอลเขาเคยพูดว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาที่ไปนั่งนั่งสั่วมาพี่คือคนนั่งใช้ทั่วมันนะก็จะนั่งแบบนี้เมียนะแต่เขาบอกว่าไอ้ห้องข้างหลังเนี่ยซึ่งเพื่อนเขาเคยดูแล้วดูอยู่เรยว่าไม่มีคนนะ เขาได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงผู้ชายและเด็กคุยกันแต่จับคําพูดไม่ได้ออือเหมือนแบบสนทนาอะไรกันพวกสามคนแต่จับคำพูดไม่ได้เลยนะเขาบอกเขาได้ยินทุกครั้งที่เข้าท่วอืมคือถ้าต้องล่างอะอะไรที่ต้องล่า ง, งนานอยู่างนี้เนี่ยในท่วมเนี่ยจะได้ยินซึ่งเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้พี่ว่าเป็นเสียงจากที่อื่นผมถามว่าเสียงที่อื่นไหมเขาบอกเป็นไปไม่ได้เพราะอะไ ร, รตั้งแต่ที่เขาย้ายขึ้นมาอยู่ชั้นห้าเนี่ยมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยตอนนี้เขาอยู่ชั้นสามต่อแรกเนี่ยเสียงร้านค้าข้างหน้า เสียงนั้นก็แฟเสียงปิกเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรวิ่งได้ยินหมดแต่พอขึ้นมาโอนชั้นห้าปุ๊บเนี่ยมันเหมือนอยู่บนโลกเลยเขาบไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยครับแล้วบันไดเนี่ยนะพี่ขึ้นมาถึงพอสิ่งชั้นสี่ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นบันไดไม้เฉยเลยที่จะขึ้นไป บ, บนชั้นห้าเป็นตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวห้องอนะ่ะจากที่เป็นตู้งมาตลอดใช่ครับอืมอขาเขาก็เลยแบบว่าทำไมมันเปลี่ยนว่ะแต่ก็โอเคไม่เป็นไร แ ล, แลแ้วไปแคร่นี้มันมีอยู่วันหนึ่งจากการที่คนเราเนี่ยอยู่นิ่งๆมานานเนี่ยอยู่นิ่งๆมานานเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะไปเที่ยวบ้างก็เลยไปเที่ยวแล้ววันนั้นอ่ะเพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงทะเลออาะกับแฟนมัง้งอยู่ห้องอืพออยู่ห้องเสร็จปุ๊บก็เขาเที่ยวประมาณสองทุ่มเองเขาไปเที่ยวอะไรผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกนะประมาณสองทุ่มเซึ่งเพื่อนเขาคนเนี้ยไม่เคยไม่เคยที่จะโทรตาม แต่วันนั้นอยู่ดีโทรตามพอมันอยู่ไหนเนี่ยพอถามนีอะไรวะกลับห้องเนี่ยปุ๊กคิดถึงพอหลกมันแตกมากนี่เคลื่อนหนูรื้จักกันมานะไม่เคยพูดคำนี้เลยไม่เคยพูดคำนี้เลยแต่อยู่ดีบอกมันกับห้องเนี่ยปุ๊กคิดถองเขาก็เลยว่าเป็นไรมั้งวะเหนื่อยไหมป้าวมันเหนื่อยนี่กลับลยนะกลับไปนะระหว่างเลยปุ๊กคือไม่ให้ลุงอลถามไปต่อ เขาก็งงอะไรมันหว่ะแต่ว่าเพื่อนเป็นเงี้ยไม่สบายใจไงร mm ีบ hmm. นั่งรถดิ่งกลับมาเลยพอกลับมาถึงก็โทรเฮ้ยดาวมึอยู่ข้างล่างมึชงชงง้มาหน่อย mm hmm. เขาก็ชงง้มาแ ล, mm hmm. แล้วเขาบอกมึงโยนขีการลงมาหน่อยซึ่งมันมีอันเดียวไงพี mm hmm. ปกติก็คือใครกลับมาเงี้ยอีกคนมันอยู่ห้างในวันถึงีการแล้วก็จะโยนให้คนข้างล่างเนี่ยเป mm ิด hmm. แล้วก็เดินขึ้นไปเอง mm hmm. แต่วันนั้นดาวบอกว่ามึงไม่ต้องอะไรก็ลงมาเปิดให้ mm hmm. แล้วก็เดินลงมาปุ๊บปุพอเปิดประตูได้เสร็จปั๊บ น้องพลกำลังเรียนสวนเข้าไปน้องดาบอกว่าเฮอะไปหายได้จริงด้วยเออถอะเฮ้ยทีมึงเป็นไรปะเนี่ยโอ้ไปเชื่อผู้ใหายด้ิงด้วยเขาก็พาทะเอาะไปเขาพาทะเลาะไปเจ็ดเนี่ยระหว่าง น, นั่งกินเ้าถามมึงมีอะไรปะเนี่ยตกหิเลยโดนหาคุณนะน้องดาวเขาหนึ่งเหมือนกิ น, นเนื้อบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีไรเขาเลยบอกผมรู้มึงเจออะไรมึงพูดมาเขาก็แบบม่มีไรเก็บความเงียบไว้ น้องพลเขาเหมือนติดอัดนะแต่เขาติดอัดที่จะไม่พูดไม่ไม่ไม่อยากทะเลาะ ก, กันเพราะว่าถัาเข้มกั น, นมากๆเนี่คนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ทะเลาะ ก, กันเลยเดี๋ยวเงี๋ยวไปคุณคิงแป๊บหนึ่งเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนตอนนี้คือถึงหยุดถึงตอนที่อ่าตอนนี้กําลังจะออกไปหาของกินข้างนอกพอดีมันจะผมนั่งฟังคุณคิงอยู่แล้วบังเอิญผมพยายามไม่คิดอะไรเยอะมีคนทักมาเหมือนมีเสียงคุยกันแทรกใช่ไหมครับหรือว่าผมผิดใชใช่ใช ใช่ผมเลยผู้ตรวจจับเล ย, ยเหมือนเสียงทีวีเหมือนเดิมเลยผมไม่ยินเหมือนเดิมแล้วเขาจริงจริ ง, รงนะเมื่อกี้นะคือถ้าสังเกตอาการผมเมื่อกี้ผมเนี่ยกำลังฟังเรื่องหนุนชิงกำลังตั้งใจฟังเลยผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเฮ้ยให้ตายเลยเสียงมันดังอืมผมก็เลยเฮเสียงอะไรวะแล้วผมก็หันไปมองอนึกว่าเอ้ยมีเสียงอะไรเนาะผมก็เลยกดหูฟังเข้าไปที่หูเพื่อฟังเสียงชัดๆตอนกดหูฟังไม่ได้ยิน แต่พอฟังคุณคิงไปอีกเหมือนมีเสียงเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่มันเป็นเสียงอีกเสียงหนึงอ่ะพูดขึ้นมามาันแ๊ะผมก็เลยเอ้ะกดหูฟังอีกผมก็เอ๊ะไม่คิดอะไรมากเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้สัญญาณโทรศรัพท์อะไรหรือเปล่าแต่พอมีคนทักมาอ <laughs> พอมีคนทักมาผมก็เลยเฮ้ยคุณคิงหยุดก่อนคือ <c oughs> ผมไม่ได้ยินเสียงอืม <c oughs> มันแยะก่อนหน้าเนี้ยครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะพี่จะคคอยฟังต่อไปนะจุ้จ จ, จุุลกเลยตัลกเลยอโอเคอ่ะทีนี้ถึงตอนที่อ่าคุณพลอยกลับมาไม่ไตอนนี้เรละพี่จนตอนนี้มีผู้อื่แะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเรื่องของผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบ่อยฟังทีนี้นะครับอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดซาวเอฟเฟกผมเลยนะฮะผมปิดเลยนะครับอันนี้ผมปิดเลยโอเคนะเอาอ่าผมให้ดู อ่ให้กล้องดูเลยนะฮะว่าผมเนี่ยปิดซาวเอฟเฟกผมเป็นที่เรียบร้อยนี่คือซาวเอฟเฟกผมถ้าดันมันจะเสียงงี้นี่อันนี้คือดันเสียงนะฮะอ่าผมปิดเลยโอเคอันนี้ผมปิดเลยอะ่ะต่อผมโอเค อ, <because> อืันนี้มาถึงตรง น, นี้นะเขาบอกว่าเขาหาอะไรกินกันแต่ว่าน้องดาวเนี่ยพยายามปิดบังเขาเขารู้เข า, าจับการเพื่อนเขได้หน้ามันปิดบังพี่เขาบอกหน้ามันปิดบังแต่ว่ามัน่ะ ไม่ยอมรับแต่หนูรู้ว่าต้องมีอะไรแน่นอนก็เลยบอกว่าโอเคถ้ามึไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีอะไรมึงบอกกูจำไว้ว่ากูเคยบอกมึงแล้วนะว่ากูได้ยินอะไรมึงไม่ต้คิดว่ากูจะว่ามึงเคยเจอเพื่อนเขาบอกเป้ามึงอะไรมึงคิดมากเขาเนี่ยออืเขาก็เลยอ่โอเคขึ้นไปนอนด้วยกันคราวนี้พอระหว่างที่นอนด้วยกันพี่แกนอนคุยนอนเล่นกันสักพักหนึ่งเพื่อนเขาซึ่งนอนเล่นโทรศัพท์อยู่เขาก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่อยู่ดีเพื่อนเขา วางโทรศัพไว้ที่หน้อกแล้วกันมาพอยว่าไงมึงคืนนี้เนอนคุยนนั่งคืนแล้วไม่ต้องนอนแล้วอ้าเป็นอะไรมึงเนี่ยคกูคิดถึงมึงวะคิดถึงบ้าอะไรเปนเนี่ยเออนอนคุยกั a เถอะอะไรของมึงวะเขาไม่รู้ขึ้นเลยมีมีอะไรปะเนี่ยอืมอืมไม่มีอะไรเพาเขาบอกว่ามีอะไรเสร็จปุ๊บมึงจะพูดหรือไม่พูดเพื่อนเขาบอกว่าไม่มีอะไรถ้ามึงไม่พูดเนี่ยคุหลับ คือเขาหันหลังให้เลยนะหันหลังให้เลยคือเขาบอกว่าประมาณแล้วเพื่อนเขาใจคําว่าประมาณแล้วเพื่อนเลวคือเขาเขาพูดถึงตัวเขานะ<ช>คือแบบประแรกดใจแย่ให้เพื่อนแบบสอ่ะแล้วก็ต้องพูด่ยกดดันเนไงแต่กลายเป็นหลักจริงพอหลักจริงลนะจี่แจ๊คทันทีที่เขารู้สึกตัวความเป็นห่วงเพื่อนเนีไยว่ามันเป็นอะไรของมันวะนึกถึงเพื่อนเป็นอย่างแรกออืค่อยๆตัดแต่งหน้าหันไปจะดูเพื่อนซึ่งเพื่อน น, นอนหลังชนอยู่ข้างหลังกันเนี่ยอ ห, หันไปปุ๊บจังหวะที่แวบหนึ่งขันไปพี่จะตรงปลายเท้าเขาอะตรงปลายเท้าเขามันจะเป็นโต๊เครื่องแป้งใช่ไหมแล้วมันจะมีไอ้เก้าอี้อยู่เป็นเก้าอี้เลินไปเดินมาเขาก็เขันไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นขาคือเห็นช่วงล่างของเพือนเขาคือว่าเนาะคนนอนแล้วจะแทงหันหน้าไปเดี๋ยวเห็นขาเพื่อนเขาอยู่ข้างๆเขาแต่ไอ้ตรงโต๊เครื่องแป้งมันมีผู้หญิงคนหนึง่งใส่ชุดสีขาวแบบ ขมูมัวแล้วก็หัวควบคุมของคนพพ้่งต่นนะแล้วนั่งยองๆแบบขยิงปลายเท้าอยู่บนเก้าอี้อ่ะโอ้ยนั่งยองๆขยิงปลายเท้าเลยเหรอใช่ครับมันไม่ใช่น้ำหลักที่คนจะทาได้แน่นอนในเก้าอีเื่อนมะนั้นความหัวที่เมื่อใครลองทำดูก็ได้แต่เขากองั่งอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยหันหน้ากลับทันทีที่้ใจเอาแล้วเอาแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วแล้วเขาก็แบบพยายามหลบตาหลับตาไม่สนใจนะนานแค่ไหนไม่รู้ตื่นตอนเช้าหลับไปเลยนะตื่นตอนเช้าตื่นึมาแต่กก็ อยากจะเล่าอะแต่เพื่อนมันไม่เชื่อออแล้วมันพยายามที่จะหลอกเจเราก็เลยไม่เล่าพอไม่เล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยอีวันหนึ่งน้องเขาก็ไปเที่ยวต่อเหมือนเดิมอืปล่อยเรื่องผ่านไปเงียบเงียบไว้คืมันเพื่อนเขาโทรมาอีพอยมึงนีบกลับมาเดวนเลยมึงอยู่ไหนเนะทําไมอ่ะมึงรีบกลับมาเหรอมึงไม่ต้องถามเลยมากมึงกลับมาแล้วกันทําไงของวะเขาก็เลยรีบกลับไง เขารู้เนี่ยไเ น, นี่ยของคันแล้วมันต้มีสักอย่างแลอลอเลยตัดสินใจที่จะกลับมาหาเพื่อนพอกลับมาถึงเพื่อนเขาปปตัวกับตัวลงมาปุ๊บเดินดึงมีดออกไปเลยอืเขาก็เลยว่าเอ๊มีอะไรกันวะและ้วฉันหมอดตายไปหาลงอะไรกินเงนี้ยตัดสินใจถามดาวมูมีอะจะเให้กูฟังป่ะเนี่ยออืดาวบอกมีออืพอก็แบบกิดอ่านมานานไงตัดสินใจแล้วว่าแต่กูมีนะออื แล้วเขาก็เล่าเรื่องที่เขาเจอตอนนี้หันไปเจอผู้หญิงคนนั้นนั่งขสหญิงข้างบนข้างบนอ่าเก้าอี้นั่นแหะพีอ๋อเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่งแป้งใช่ดาวก็เลยตัดสินใจพูดออกมาว่าเออนั้นกูก็มีเหมือนกันเลยจะเล่าให้มึงฟังออืนั่นไงกูว่าแล้วเล่ามาได้เจออะไรเขาบอกว่าอีกครั้งแรกที่โทรหาเลยพี่ ค, คนที่ดาวนอนเล่นอยู่บนพยานนี่บอกว่าคิดถึงเลยนะได้อยู่ใช่ได้แล้วอยู่ที่มันมีเสียงคนเคาะจากในตู้เสื้อผ้านะห้องปั้งปั้งปั้ง แล้วอยู่ดีปุ๊บเขาก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันดังไรนักหนาวะคือพยายามพูดขมตัวเองไงขมตัวเองคือพูดหยาบไปเลยทั้งคนเขางคนีพูดหยาบเ่ยเขงไอ้มึงนักหนาวะไปชาระมึไม่กลัวหรอกท่านี้ที่เคาะรอบห้องเลยปังๆๆๆๆๆๆปังง่าแเเขาเลยจัดินยาตหาเพื่อนละหอยมึงชิวนงพิสถงมึงนกับมาเลยเขาบอกอันนั้นแรกแต่ม้ไหที่กูโทรหาเมเนี้ยกูเจออะไรเขาบอกเจออะไรกูเข้าห้องน้ำไงเข้าห้องน้ำเสร็จุ๊บเนี่ย ก็ไม่คนะิดนายเงยคนเข้าห้ําอ่ะแต่แล้วก็เปิดประตูพรวดออกมาเลยเขาอยู่คนเดียวอะ่ะแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวขาค่ะหมุนขมัวแล้วหัวฟูๆจนดําสกปุกมากเลยนั่งอยู่หน้าประตูห้องน้ำํำอ้าลวจริงหรเหอเขาก็เลยบอกว่าแป๊บเดียวแล้วเขาก็หลับตาลม้มฤทธิ์ฤทธเสร็จกุ้งก็หายไปเลยนะอื<ห>เขาเลยเริ่มรู้ตัวว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเลย้โทรหาเพื่อนพอโทรหาเพื่อนเสร็จกุก็คือว่าปล่อยเขากลับมาเขาก็เลยคุยกันว่าเอาไงวะเนี่ยกุมงว่าอยู่ไม่ได้แล้วมั้ง แต่มันเสียได้ครับประกันที่ค่าห้องก็หมื่นแล้วค่าประกันก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากี่บาทเขาก็เลยว่าแล้วต้องอยู่วยครบปีอ่ะเพราะแบบมันเป็นสัญญาของพวกเด็กที่ไปเรียนมอนะเขาก็เออเอาไงดีวะเอาไงดีวะเดี๋ยวลองกลับไปดูกันแล้วกันวมันเป็นยังไงเนาะพอเขาเดินกลับขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ไปนอนอีกวันหนึ่งตัดสินใจว่าเรื่องเนี้ยคงจะต้องบอกพ่อแม่และช่วยกันแล้วเป็นยังไงซึ่งเก็บเงียบมานานพ่อแม่จะเป็นห่วงเขาก็เลยบอกพ่อแม่ พ่อแม่เขาก็ไปหาพวกหมอดูหมอทรงน่ะทางอ่าน่าจะเป็นจังหวัดบุริรัมณ์นะผมจำไม่ผิดแล้วเขาก็หมอทงนั้นแหะเขาก็บอกมาว่าเป็นผู้หญิงนะจต่งตัวสกปรปกหน้าดูเลยหัวฟูๆนะ่ะเขาต้องการให้ไหวเขาความจริงเขาหวงห้องนะแต่เขาชอบพวกเธอสองคนเขาอะไรเงี้ยอืมเขาแคต้องการอยากจะบอกให้รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ถ้าเธอจะมาอยู่เธอต้องโทรพัช น, นาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อท่เนี้ยเขาก็เลยแบบ เคยกลับไปไหว้กลับไปไหว้นานแล้วทําบุญเขาทุกวันพระทําบุญเขาทุกวันพระแล้วจะไม่มีอะไรอืมโอเคกลับไปถึงก็ระวังเขากำลังไปหากลุมไมตามที่หมอทรงบอกนะ<ท>อ่าจะเอามาไหว้หมอทรงโทรไปบอกแม่เขาแล้วแม่เขาโทร บ, บอกพี่บอกเออมินยางเขามาบอกว่าขอแป้งน้ำโมงเรยาด้วยซึ่งเด็กอ่ะเด็กวัยรุ่นรุ่นนี้พี่เขาไม่รู้กลับไปน้ํามงเรยาย<อ>เป็นยังไงเงี้ยเขาก็เลยบอกแล้วจะไปหาที่ไหนอะ่ะครับ เขาก็ไปหากันตามตามเซเว่นมาตามห้าง อ, อะไรเงี้ยแล้วมันไม่มี<ถ>เขาไม่มีเจ้ากูเขาก็ตัดสินใจเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวขอกลับเข้าดูยีงงีไม่อะไรบางอย่างมันว่ามันต้องมีวะ่ะหามาหลายที่นะเขาเข้าไปถามพนัก ง, งานบอกไม่มีนะครับไม่เคยเห็นแต่อยู่ดีน้องพลอยก้มลงไปปุ๊บแล้วก็มือลงเข้าไปมุมไนสุดเลยนะก็ได้เดินออกม า, ามีอยู่ขวดเดียวทั้งร้านฝุ่นเถอะเลยเ เขาไปเรายิบขึ้นมาอกอันนี้ใช่ไหมในเส้นมองระยะเนี่ยเขาบอกใช่พนักงานในหน้างๆอ่ะก็มันมันยังไงอยู่ได้ไงแล้วก็จ่ายสั่งต่อไปซือไปถึงคลุกก็ไปไหว้ไหว้เสร็จอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการที่เขาจะต้องกลับบ้านคือวันศุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพี่เขาก็เออปีมงปีใหม่กลับบ้านกันหน่อยก็กลับบ้านนี่คืออยู่ยาวไปมันเปหลังปีใหม่นะแต่พฤติการพี่ิด่วนพอหลังปีใหม่อกลับบ้านกลับบ้านหน่อช่วงปีใหม่สองสามวันเองสองวันเขาบอกสองวันคือไปวันนี้แล้วก็ไปค้างที่บ้านคนนนึงวััลกบมาออื จับมาถึงของคริ่งไหว้อะทุกท<ะ>่านพอเขาเปิดประตูเข้าไปพวดของทุกอย่างประตูหมดแล้วเนาว่านอนขึ้นเลยและในห้องเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำอบมองระยะไปเลยหมดซึ่งเขาไม่ได้เปิดออเขาก็เลยแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะเหมือนเขาต้องการไม่พอใจหรือว่าเขาเขาหิวเขาอดอยากคนนาน้นเขาเลยแสดงออกด้วยการอย่างนี้วะก็คุยกันนะแต่ก็ต้องอยู่อะตาอินใดลงไปบอกป้าห้องป้ามีผีนะป้าอย่าอึ้งเลยนะอืม ไม่มีหรอกหนูคิดมากกวาเองมั้งแต่ตื่นแล้วมองหน้าพวกเขาตั้งนานเป็นห้าหนาทีถึงจะพูดออกมากว่าไม่มีอะไรหรอกหนูคิดมากก ป, ป่าอ้าป้าอยู่นี่มาตั้งนานไม่เห็นมีเลยโอเคเขาก็ไม่เป็นไรในเมื่อไม่ยอมรับเขาบอกมาเป็นธรรมดาของทุกหอแล้วไม่มีใครเขาพูดหรอกก็เลยเดินขึ้นไปไปคุยกันว่าเราอยู่กันนานมีอะไรแปลกบ้างหนึ 1. 1> บินข้าห้องเราไม่เคยได้ปกติเนี่ยจะต้องมาจอดไว้ที่ห้องอจอดไว้ที่ห้องนะพอถึงที่เรียนแต่ห้องหนึ่งของของน้องออยไม่เคยได้บินเลย ก็เลยไปถามป้าทุกครั้งที่มีใจตังค์ป้าทําไมห้องหนูไม่เห็นได้บินไปสอบแหล่งใต้หนูต้องมาถามป้าเองนะป้าแกบอกอ๋อป้าแกแล้วเดินไม่ไหวปวดหลังเข่าพี่แจ็คเขาเดินขึ้นไปสอดได้จะหนึ่งชั้นสี่ชั้นห้าขึ้นไปนิดเดียวเองแล้วมีห้องเดียวนะเขาไม่ขึ้นไปอขาปวดเข่าไปไม่ได้หรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้านเมืองคขาไม่อยากขึ้นใชเออ่เออืออแล้วตอนนี้พอเขาก็โอเคไม่เป็นไรงั้นหนูมาจ่ายเงล่างกันหน่ะยจ้ หลังแต่วันนั้นพอหลังกันที่ไปทำพิอีเสร็จปุ๊บ ก, กลับมากินกันนั่งคุยกันกูว่าอยู่ไม่ได้แม่เลยว่าพลอยพอยเขาบ อ, อกเขาก็ว่างแล้วรู้สึกมันแรงกันทุกวันนะเว้ยผลไม้เพิ่งไหวไม่กี่วันอะ่ะอย่างมากมันก็ทำแล้วมีกินกันนี่มันจะโจยแล้วมีหนอนเป็นไปได้ไงเขาก็เลยว่าอืมกลัขึ้นไปก่อนมีอะไรลองให้เขาคุยกันเลยในฝันว่า เป็นยังไงอธิษฐานบอกเลยตัดสินใจเดินกลับขึ้นไปพอระหวังที่เดินกลับขึ้นไปหนึ่งแจ็คือ บ, บันไดของเขาเนี่ยไอ้ชั้นสี่ขึ้นไปชั้นห้าเนี่ยขึ้นมาถึงถึงปุ๊บมันเจอประตูใช่ไหอแล้วประตูมันจะมีร่องระหว่างประตูกับพื้นเนี่ยให้เราเห็นครับเขาก็เขาสองคนเนี่ยเดินขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาเห็นขาซึ่งเงาขาคนอยู่ข้างในห้องเหรอตรงประตูอุ้ยหรอคือว่าเหมือนยืนอยู่หน้าประตูเนี่เหมือนรออยู่อะ่ะอเขาก็เลยมองหน้ากันปุ๊บว่าอะไรเพื่อนเขาบอกขา เออกูก็ว่าขาเดินที่ผ่านมาวันนี้เคมีแต่คราวนี้มันมีเนี่ยเปนชัดเจนมากเลยระหว่างที่ยืนเกี่ยงมันละมึงเปิดเลยอีกคนนึงก็มึงอะไรมึงอะไรย้อนมาย้อนมาเสียงข้างในเข้ามาป้องป้องป้องเสียงเข้ามาเขาว่าเข า, ขาวิ่งลงเลยไม่ตั้งใจอะไรละอย่างก็ประมาณว่ารออยู่อะไรเงี้ยก็เลยวิ่งนู่นมาข้างล่างเสร็จปุ๊บมานั่งอยู่ขา้างหน้ามีกลุ่มที่คนหนึ่งคือเขาเปิดร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเป็นร้านกาแฟร้านแบบหนุมเคกินกาแฟอย่างนั้น กห็นเขน้าไม่กีตาทุกวันไม่เคยคุยใจเลยอย่างมากก็ยิ้มวันนั้นตัดสินใจมองหน้าเพื่อนบอกว่าไปนั่งกับพี่เขาก็ไปนั่งกับพี่เขาออืพี่คะขอนั่งด้วยค่ะอขอเชิญเลยครับน้องเชิญนะคุณหญิงมาขอนั่งเขาก็ไม่รังเกียจอยู่แล้วใช่ไหมนั้งคุยกันไปคุยกันมาคุยเรื่องไปเรื่องมาจนรู้จัจกชื่อว่านิดาวน้านิพอยนะพี่คนที่เป็นเจ้าของร้านถามอ้าวแล้วพะออเพื่อนอีกคนนึงไม่มาด้วยอะอะก็ถามเพื่อนไหนคะออืก็เพื่อนที่ผมยา ว, วๆเรียบๆแบๆบพี่เห็นนักถ้าทันจะกันจะพยนะ ไปไหนก็คอยตลอดเลยแล้วก็เห็นนั่งที่ระเบียงก็นั่งด้กันตลอด <c oughs> ครับคืออย่างนี้พี่พลอยบอกดาวมันเคนกลัวความสูงมากถ้าไม่จําเป็นมันจะไม่โผล่หน้ามาระเบียงเลยอือ <c oughs> แต่เวลาที่พลอยนั่งพลอยมานั่งคนเดียวแต่ทุกที่คนนี้บอกว่าเห็นมีเพื่อนอีกคนหนึ่งผมยาว <c oughs> นั่งกับพลอยตลอดทุกครั้งที่พลอยนั่งตรงระเบียงอืมอืมอืมนะฮะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีนะพี่ ตัดสินใจเล่าเรื่องพวกนี้ยให้กับพวกพี่กันฟังหนึ่งในกลุ่มของพี่ร้านกาแฟนั้นแ่ะเขาบอกเพื่อนพี่เคยอยู่ในห้องนั้นน่ะและพี่ทุ่มตะกร้ามันยายออกมาก่อนหน้าพวกเราขึ้นไปอยู่นี่มันบอกมันอยู่ไม่ได้มันบอกมันอยู่ไม่ได้ประจักษ์จะกินถ้ามันเจออะไรมันก็ไม่เล่าให้พี่ฟังนะแน่เมื่อวันนี้แต่ว่ารู้ตัวมันรีบย้ายด่วนแล้วมันต้องขอให้พี่ขึ้นไปคนตั้งห้าหกคนคนสอคนมันก็ไม่อยู่มันบอกไม่กล้าเขาเขาก็เลยบอกว่าเคมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรแล้วเอายังไง ว่าเดี๋ยวกขาคิดกัน ต, ตอนนี้มันเช้าแล้วเขานั่งจนเช้าพี่ชิดวด ก, ก็เลยกลับขึ้นไปนอนตั้งแต่วันนั้นน่ะที่เขาเริ่มแสดงอาการกลัวผู้หญิงคนนี้ น, นะพี่คนชื่ดาวอะนอนนอนอยู่จะมีเสียงแอบแล้วพอพอมีอกระแจะพุชจะลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยอืมเหนือนหายใจไม่ออกอ่ะครับ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันอําอูมันทำนํำกูไงจนกูเกือบตายแล้วเนี่ยออื พอก็เลยไปปรึกษาพระพราก็ให้พราใสมาพอพระใสมาแต่ปุ๊ถ้าใส่พราไม่เป็นไรนะแต่ถ้าลืมอะไรจะเป็นเงี้ยุ๊บเอพอปุ๊บก็คือมันเหมือนแบบเหมือนคนเกิจะขาดใจแล้วทุกครั้งเลยออจนครั้งล่าสุดคือเรความเป็นผู้หญิงเขาก็คิดว่าให้หัวนอนก็ได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้จนครั้งแบบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นเพื่อนเขากระดุกกระดิบไม่ได้ยินแบบปุ๊บอังนะแต่เห็นหน้าเพื่อนเขาในนอนวิ่งนะออืแต่ที่ยิ่งกจ๋งเรียกพอยชื่อก็ด้วย พอยชื่อกูด้วยคือปาเพื่อนอนิง่งหน้าเพื่อนอนิง่งอยชื่อกูด้วยพอกูเลยแ บ, บเฮ้ยมันแต ก, กแล้วตอนนั้นรียนบอกเลยเอามือแตะหน้าอกเพื่อนพอแตะปุ๊บเพื่อนเขารู้ขึ้นมาปุ๊บแล้วด่าปาทั้งหมดเลยคราวนี้มันจะกูตายแล้วนะพอยโอ้โหเขาก็เลยแบบเฮ้ยกูว่าอยู่ไม่ได้แล้วว่าตัดสินใจเอาไงกันวะนอนคืนนั้นเปิดไฟเปิดทุกอย่างที่มีให้มันเป็นเสียงนอนสรุป<พ>เขาฝันฝันทั้งคู่เลยเพราะว่า มันผู้ห ญ, ญิงคนนั้นที่อยู่ในในห้องนั้นนะเขารู้เลยว่าต้องคนนี้ตัดสินใจจะย้ายเป็นอังย้ายก็ย้ายกูไม่เจตใจแล้วตังค์นะพ่อแม่ก็บอกย้ายเลยตังค์ไม่ต้องเจตใจแล้หหลวลูกพ่อแม่ไม่ว่าอะไรดีกว<ห>่าตาย<ห>ก็คุยจะไม่จะย้ายคืนนั้นผู้ห ญ, ญิงคนนั้นมาเข้าฝันออื<ห>เข้าฝันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งมาชี้ให้ดูเป็นตุ๊กตานะ<ห>ออืเหมือนเหมือนแบบว่าอยากจะให้ตุ๊กตาตัวนี้แล้วขอไปอยู่ด้วยได้ไหมหไม่ได้คิดร้ายแต่แตงเหงาไงก็เลยอยากเล่นด้วยออื<ห>ดูเล่นน่ะเล่นแรงไหมอบบนี้แล้ว เขาตื่นแล้วเขาคุยกันฟังสองคนเขาบอกว่าฝันเหมือนกูเรศเลยนะมึงอนะ่ะเนาะก็เลยกลัวก็กลัวถต่ตัดสินใจว่ากูคงไม่เอาเข้าไปแน่แหละ oh. แต่กูขอไปหาตุ๊กตาให้เขาก่อนละกันเขาจะได้ไม่โกรธ oh. เอามาตั้งไว้นใน ห, ห้องให้เขาก็ได้ oh. ก็ไปหาหาทั้งวันก็ได้ตุ๊กตาตา oh. ัวหนึ่งก็เอามา oh. แต่ก็ไม่เอาไปนะก่อนจะย้ายห้องขออนุญาตทดสอบเล่นหีหอะไร น, oh. นึงเล่นกันโอ้โหยังเล่นกันอีกอ่อ ใช่คือเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่แจ๊คน้องคนนี้แกกังผมบอกเลยกังรู้อะไรผมบอกจริงจริงเขาลงคุยมานะแกกล้าแล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าขอเล่นผีเดียวกันอีกสักครั้งหนึ่งผมอยากรู้ว่าดาวครับคนที่ดาวก็เป็นคนเงียบๆแล้วก็เลยบอกมึงว่าไงผมก็ว่างั้นแหละแล้วแต่กูเขาก็มาถึงก็นั่งเล่นกันเล่นผีเดียวกันนพักหนึ่งทเนี้ยในขณะที่เล่นกันเนี่ยเขาก็ถามว่าชื่ออะไรเขาบอกมาด้วยนะพีว่าชื่อวันเพนบอกชื่อเลยเหรอ ชับเจนเลยวันเพนและแต่ละปุ๊กนะเขาก็ถามว่าเป็นอะไรตายก็พูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกไปบอกมาปุ๊กจงังหวะหนึ่งที่เหรียนนิ่งไปเนะี่ยที่ฟังกันนั่งนะทออยเนี่ยเขานั่งหันหลังให้ทุตตะ้าออืนั่งอยู่บนเตียงนะดาวเนี่ยนั่งอยู่หันหน้าเข้าหาทุตตะพาหรืหันหน้าเข้าหากันเไงและถ้าพักหนึอยู่ดีเนี่ยเขาบอกเหรียญตึ้งเลไม่ขยับป่ะเตรียงจะปล่อยมือแล้วแต่บอกมึงอย่าไป มึงจะพูดอะไรมึงพูดเลยเขามาละปอยก็ององเลยโอ้ออเปอยว่ามึงรู้ได้ไงวะออเออพูเออมึงพูดเล ย, เ, ลยเขาก็เลยถามนู่นถามนี่ถามนัม่นเสร็จพูดเลยเขาก็เลยบอกว่าขอโทษด้วยนะคะออกไปด้วยไม่ได้จริงๆ<อ>เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าที่อยู่ต่อไปจะเป็นไงคืออ้างน่ะอ้างอานู่นอ้างนี่อ้างนั้น<อ>ก็เป็นอันว่าเหรียญเริ่มวนเขาก็ตัดใจเลิกเรื่เลยแต่ยังไงก็ข้างมัน ไม่เอาเลยจย้ายออกตอนนี้เลยยี่นาทีเนี่คือเขาเริ่มย้ายของออกแล้วพี่ที่นั่งเล่นกันนะเออยี่ไม่กี่ชินแล้วก็เลยพอย้ายของออกมาเสร็จปุ๊บวิ่งเลยนะมีเสียงดังปังปัง ป, ง ป, ง, ปงปังปังวิ่งออกมาเลยอ ม, มานั่งคุยกันว่าคูณถามทิ้งครับก่อนที่จะมีเสียงปงปังปงปังเนี่ยมึงรู้ได้ไงว่าเขามาแล้ววะมึมีเซนเหรอลาวบอกมึงฟังดูดีนะตอนที่กุนั่งก้มหน้า มองหน้ามึงอะกูไม่เห็นแต่พอตอนที่มึงถามว่าเห็นเป็นไรวานิ่งเลยไม่ขยับเนี่ยมันจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยอเขาเห็นที่ไปมองประตูทุกเสื้อภาพที่ข้างหลังพอยมันค่อยๆเปิดแบบอ้ยจะบ้าตายเรื่องอะไรในห้องในห้องที่มแต่ะนะแล้วมีลมด้วยนะมันเปิดออกมาข้างเดียวและข้างที่มีกระจกที่มันเปิดในเสภาพผ้ามีกระจกขนาดเท่าคนใช่ไหมแล้วตอนที่เปิดมาเป็นกระจกพอมันมาสุดตรงที่กระจกตรงหน้าน้องดาว ดาวบอกว่าคนที่วันเพ็ญ น, น่ะเขาจะงกดูอยู่ข้างหลังกูดูเหมือนกับกูเล่นกั น, กนอยู่ยมองเห็นผานกระจกว่างั้นเหรอคือยือนก้มมอ ง, งอยู่ว่าทําอะไรกันโอ้ยดู ด, ดิคนลุกแล้วกูว่าอ้าท่านเขาเลยบอกว่ากูทนเล่นจนจบ ก, ก็ดีแล้วครับกูปล่อยเหรียญนะไม่มึงก็กูต้องใครกคนโดนเขาเล่นใช่นะใ ช, ใช่ถูกต้องเขาห้ามปล่อยเด็ดขาดถูกต้องเล่นให้จบใช่ครัอืมอืมนะอืมเขาก็เลยเล่นกันเสร็จแล้วออกมาเขาบอกแล้วมันไม่บอกกูว่าเออเอาอย่างเป็นไงก็ย้ายกัแล้วออทันนี้ เรื่องมันจบแค่ตรงนั้นนะพี่แต่เขาบอกเขาย้ายหอมาไม่ไกลจากกันต่ อ, อ, อมาไม่นานหอนั้นทุกวันนี้ขายไปทำปรินโนเวตเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ว่าวันที่น้องเขาคุยกับผมมันจะเกี่ยวโยงหนเสียงเมื่อกี้ที่พี่แจ็บอกผมนะเนี่ยอวันนั้นคุยกันนะที่เชื่อไหมที่ผมกำลังทำํำในในน้อยของผมนะที่พี่รู้นะออมันดับสัญญาณไม่มีสองครั้งผมก็ว่าเฮ้ยครั้งก่อนเป็นเรื่องกล้องห้างครั้งนี้มุ่งไปเป็นเรื่องสัญญาณบอกตรงม่จะเรื่องอะไรหรอก เลยโทรคุยไปคุยแตน้องเขาระหว่างที mm ่ท hmm. ุกคนเนี <veut opinion out> ่ยนะในห้องก็รอกพน้องเมล่จะเริ่มหรือว่าจะจบไปเลยคืนนี้ผมก็โทรไปคุยแต่น้องส่วนตัวว่าเออเนี่ยพจากพี่ไม่รู้ไปเลยสัญญาณวันนี้แต่ที่คุยทาโทรศัพท์เราเนี่ยสัญญาณที่เต็มมากเลยนะแต่ทาไมนนบุ๊กไม่รับไม่ได้หรอเขาก็เลยเล่าให้ฟังบกพี่เนี่ยมันเป็นี้ยสัญญาณเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊มปุ๊บปุาบปุ๊บปุ๊บปุเบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุก่อน ถ้าไวไฟก็คือวิ่งลงไปข้างล่างเพื่อไปใช้ไวไฟของอชั้นหนึ่งไปนั่งใกล้ๆกล่องเลยคือเขามีรหัสทุกชั้ น, นียไงเขาก็วิ่งลงไปข้างล่างอันนี้ระหว่างที่เขาคุยอยู่มันตุ๊บปุ๊๊บปอีกเขาบอกเดี๋ยวหนูจะไปชั้นหนึ่งพี่อีกชั้นหนึ่งหนูรู้เลยมันจะเป็นอย่างหนูคิดไห ม, มสลับลงไปอีกชั้นหนึ่งพี่ที่ดูผู้หญิงตัวคนเดียว อ, ะอ่ะกล้าเดินลงไปตอนคืนอ่ะไปเล่นเน็ตของในชั้นหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็คุยกับผมเขาก็บอกเนี่ยพี่ อันยิ่งชัดไหมผมบอกมันยังไม่ชัดเลยแต่มันดีกว่าทุกชัดแล้วเขาพนั่งานคุยจนกระไดเลยพี่คิดดูพนักงานคุยกับผมนะระหว่างที่คุยกับผมผมก็เลยถามว่าอีกอย่างน่าจะเป็นเพื่อนเราเล่นเน็กกันหรือเปล่าเพราะว่าครั้งแรกที่พี่คุยจะเราอ่ะตอนที่อยู่ในห้องอะครับมันเหมือนกับทางฝั่งที่มีควอมมีแต่ทําเป็นทางฝั่งเราหรือเปล่าแล้วพี่ก็ติดตัดไปด้วยเฉยเลยเขาก็เลยบอกอี่หนูอยู่คนเดียวบ้าพี่ได้ยินเสียงคนจะเต้งแจอยู่ข้างเราเขาบอกหนูอยู่คนเดียวในห้องะ ผมเลยบอกเฮ้ยอย่ากโกหกพี่ดิอย่าอ้ก็ก่อนหน้าที่จะคุยกันเราบอกว่าเรากำลังทํางานอยู่กับเพื่อนไม่ใอ่หนูทำเสร็จทั้ ง, งานแล้วถ้างานไม่เสร็จหนูไม่โทรคนกับพี่หรอกผมกว่เคยจริงอะ่ะออืแล้วแล้วเมื่อกี้ตอนที่ฉันฉันสองอะพี่เหมือนพี่ว่าเราพาเพื่อนลงมาด้วยเพราะตอนที่เราเดินลงมาเ่เราบอกว่าเรากำลังเดินบนกระไดเนี่ยมันมีเสียงอ่าอะไรนะมีเสียงคนพูดด้วยออ มีเสียงคนพูดเหมือนกับว่าพาเพื่อนลงมาแล้วมึงเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะพี่ในเวลานี้มึงอยู่คนเดียวอยู่เลยครับแล้วมันมีเสียงคนคอะไรใหม่ันเสียงที่คุณคิงได้ยินเป็นเสียงประมาณไหนเป็นเสียงอะไรเฮรยฮะเหมือนว่าคอยพูดแล้วพูดตามแล้วแซ ว, ะะวแล้วเหรออ๋อออแล้วก็มีเสียงแบบอย่างเงี้ยอ๋อ ผมก็นึกว่าเขาแย่เล่นเงนี้ยกะเอาเพราะเขาบอกเขาอยู่คนเดียวผมก็คนหนัวลุกเบยพี่ผมเลยต้องยกขาขึ้นแล้วนะผมแบบคอยที่พูดจริงๆตั้งแต่พี่ทําไปเมื่อมาเนี่ยแล้วตั้งแต่เรื่องต้องห้ามเขาเนน่ะที่เหมือนพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวเลยวะ่ะแล้วพี่อะไรก็มีโทรไปรายการพี่แจ็ก็ไปเจออย่างเงี้ยเขาก่อนในเรื่องต้องห้ามเนี่ยแล้วเวลาคุยกับ ใ, ใครบางคน ก, นนก็บอกได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วไม่ใช่พี่แจ็คกังบอกได้ยินอีกใช่ผมได้ยิน แต่มันไม่ใช่มันมันไม่ชัดผมยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าเสียงอะไรจะเสียงลักษณะประมาณอืมประมาณเนี้ยที่มันวิผ่านเข้าหูมาจนผมต้องเอามือทั้งสองมือนะครับกดเฮดโฟนผมให้มันแบบให้ได้ยินชัดๆเลยว่าคือเขากดเข้าไปมันมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรภายนอกละมันจะได้ยินเสียงผ่านจากไมโครโฟนอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือผมจะได้ยินเสียงมันกระทั่งเสียงแอรเพราะว่าเนี่มันเป็นไม้ไม้ไม้ห้องอัดมันมันจะไวมากอ๋อ แล้วก็ได้ยินอีกอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นเสียงคนคนพูดบางๆแต่มันจับไม่ได้สับแต่มันไม่ใช่เสียงสาวผมแน่นอนณตอนนี้ตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมบอกว่าผมจะปิดซาวผมปิดมาถึงตอนนี้นะผมผมไม่ได้เปิดซาวเลยนะครับ<ต>อ้แล้วก็ที่สําคัญคือผมผมยังผมือยิ่งเสีงเหมือนคนอ่านข่าวอยู่เหมือนเดิมนหละเฮ้ยคุณอ่านข่าวไม่มีแน่นอนอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ยิน ม, มันจะเป็นเวลาเราพูดกันอือผมไม่ได้ยิน ตอนเนี้ยที่ที่ที่ที่ผมทํำเลยก็คือผมยอมรับว่าผมขึ้นนั่งยองๆบนเก้าอี้จากไปกา <c oughs> เลยฮะเฮ้ยจริงๆริง <c oughs> <ๆ>เหแล้วที่ผมเห็นด้วยเฮ้มันไม่ไหวอะผมว่าเรื่องเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้แต่ผมฟังแล้วแบบเฮ้ยมันโหดมากคืกอน้องก็บอกน้องเขาบอกว่า<ฮ>น้องสองคนนี่เขาเจออะไรที่มันโหดมากและที่สําคัญคืออย่างที่คุณคิงบอกคือน้องเขาขังจริงฮะขังถึงขนาด คุณรู้อยู่แล้วว่าที่นั่นมีแต่คุณก็ยังไปไปเล่นผีเหรียญนะ่ะไปเพื่ อ, อาถามเขาว่าอะไรอะไรยังไงคือคือทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอ่ะมีทั้งคนทรงทักมาก็ดีบอกเฮ้ย hey, เขาชอบนะเขาอยากอยู่ด้วยเขาอยากให้ด้วยแต่จากเหตุการณ์ที่ฟังมาทั้งหมดนะฮะผมว่าน้องอชื่อดาวเขาโดนหนักสุดโดนหนักไปเลยเออถึงขนาดจะเอาชีวิตเฮ้ย hey, นี่อ่ะชอบถ้าชอบในที่นี้หมายถึงว่าถ้าชอบ มันมีชอบสองแบบคือชอบแบบว่าอยู่ ด, ด้วยกันได้จับชอบที่แบบเอาไปอยู่ด้วยถูกต้องใช่โอ้โหอันนี้น้องเขาพูดเหมือนว่าอ่าอันนี้จริงท้ายหน่อยจริงตอนนี้ว่าเมื่อไม่กี่วนันวันของวนนอันนี่ผมคุยกับน้องเขาบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเหนือนเขาจะพูดว่าเขาเคยไปถามหาแนละ้วมันเกิดมีเรื่องอะไร น, นั่นเมือนเขาบอกเป็นผู้หญิงท้องละมั้งที่ตายอ่ะอืมจริงมากน่าจะเป็นทะเลาะกับสามีแล้วตายหรือยังไงนั่นแหละ มันรู้ว่าฆ่ากันแล้แต่มันมันจวบเหมาะกับพี่น้องก็นั่งคลองน้ําแล้วได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันแล้วมีเสียงเด็กอ๋อออเขาก็บอกคนนันย้อนไปเขาก็แบบคนลุกทุกทีเลยเขาไปถามใครกับใครมาเงี้ยเดี๋ยวนี้แสดงว่าชั้นห้าทั้งชั้นณตอนนั้นที่เป็นห้องมันจะเป็นห้องใหญ่หมดเลยใช่ไหมคะหรือว่ามีห้องห้องใหญ่อยู่ห้องเดีห้องเดียวมีห้องเดียวชั้นหน้ามีห้องเดียวเลยพี่หรอครับแสดงว่าห้องอื่นๆที่บอกว่าเป็นห้องขนาดข้างคือมันไม่มีคนเช่าอยู่ ใช่ครับไม่มีน้องก็ดูแล้เพราะว่าสองฝั่งของเขาจะงมองดูปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกระจกข้างหลังโดยใส่แล้วเขามองเข้าไปเนีะมันเป็นเตียงล้นๆที่ไม่มีผ้าปูตัวสื้อผ้าที่ไม่มีอะไรเปิดไว้แล้วพ่อม่านก็ไม่มีไม่มีติดกระจกนั่นหมายถึงว่าเป็นห้องที่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีใครอยู่แน่นอนที่ผมกำลังจะถามนี้ผมกําลังนั่งคิดนั่งวิเคราะห์ว่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งชั้นชั้นห้าไม่มีใครอยู่เลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับ คือว่าไอ้ห้องขนาัดข้างๆเนี่ยมันมเป็นห้องของเป็นอื่นนะพี่เพื่อ จ, จะมาติดกันออครับผมสองข้างเลยแต่ว่าชั้นห้าเนี่ยมันมีก็ประมาณก็ป ร, ณ ป, รณประมาณดาดฟ้าเอามาทําเป็นห้องอ่ะคือมีห<ม>้องเดยียวเต็มต่อยอย๋อโอเคเข้าใจนึกออกแล้วแสดงว่าเป็นห้องที่อาจจะต่อเติมขึ้นมาใหม่คขึ้นมาขึ้นมาทีหลังปึกเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกคือจากบันไดจากชั้นสี่พอขึ้นชั้นห้าเนี่ยมันกลายเป็นบันไดไม้แสดงว่าต้องมีการต่อเติมห้องนี้ขึ้นมา โอ้แต่ทั้งหมดเลยนะ<อ>ผมว่าน้องพลอยฮะต้องไปถามเจ้าของคุณป้าคนนี้แหละให้คําตอบได้ดีที่สุดอยู่ที่ว่าป้าแกจะพูดหรือเปล่าป้าแกนี่ไม่พูดนะครับแต่ว่าน้องพลอยเขาบอกว่าอ๋อผมยื่นมาถอดจะบอกว่ า, ม, ม, า, วามีร้านซักรี์ข้างล่างอะสนิทกันอืมเคยมาถามว่าถามจริงๆจะอยู่ได้ยังไงเขาก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ใช่ละ ป้าคนนี้ร้านทักนี่ที่เราคุบอกว่าเป็นคนท้อง ค, คนท้องตายนั่นแหละแี่แหละป้าคนนี้นะตอนแรกไม่ยอมบอกอเขาจะถามป้าถามงี้นีอะป้าพูดเลยหนูไม่พูดหรอกเขาก็เลยบอกถ้ายังไม่รู้ก็าแล้วไปป้าเป็นผูดเล่นนะป้อมป้าไม่อยากทะเลาะเขก็จนพอเอารู้ว่ายายอะไรเงี้ยจะถามป้าแค่บอกว่ามีคนท้องอน่าจะถูกฆ่าตายหรือผูกคอตายข้างบนนั่นแหละคครครัับบในจุดจะมาไม่รู้ว่านานหรือยังด้วย ไม่ได้บอกระยะเวลาครับแต่ทุกวันนี้น้องเขาบอกว่าคือตอนนี้นะตอนนี้นะนั่เวลานี้เลยน้องเขาอยู่หอไม่ใกลจากหอเดิมนะ<ม>เขาบอกมันขายต่อแล้วทำรีเนเวทเป็นอย่างอื่นไปแล้วครับโอ้ยครับผมโอ้ยโอ้ยฟังเรื่องนี้ผมว่าโอ้ยอย่างที่คุณคิงบอกจริงขออนุญาตเปิดซาวนะฮะอย่างที่คุณ ค, ค, คิงบอกจริงว่าเอาขาลงได้นะมันผ่านมันผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วเออเฮ้ยฟังแล้วมันจะยเปิดไฟน ผมวันผมนั่งฟังคืออะไรผมทำรายการผมไม่เคยเปิดไฟเลยพี่<ม>แต่มันหลอดมันปิดไม่ได้ไเน <ะ S 2> ี่ยผมปิดไม่ได้ผมปิดไม่ได้หือถ้าปิดเนี่ยคนในกล้องจะไม่เห็นผมเลยแล้วผมจะอ่านอะไรไม่ได้เลยอ๋อห้องห้องจัดรายการคือมันมันปิดไม่ได้ไงคืออจรินงนะผมว่าชอบมิวผมอยากปิดเคยลองปิดไฟดวงบนนี้ดูละหน้ามันมืดอ๋อมันมืดสายแบบไม่เห็นมันมืดคือคือบอกว่าเอ้ยผมผมไม่ได้ตัวขนาดนั้นนะอันนี้คือไม่ได้พูดแบบว่าตัวเองเป็นพระเอกนะแต่ มันมันทำไม่ได้เออไม่เ่อวันนั้นเ่ยผมแบบผมเมาขาขึ้นเหมือนอย่างพี่แจ๊คไงกระดกนังกระตมานแล้วพาผมขาไว้แล้วหลังจริงเวยแล้วผมก็ฟังน้องเขาแล้วผมก็นี่ตอนที่น้องเขาบอกว่าหนูอยู่คนเดียวตรงกระไดอ่าผมก็อ้าวแล้วม่ีนเปลี่ย่งใครวะมีคนเดินขึ้นลงเหมือนมีเงคืนอะไรนี้คือเอาจริงๆนะคือถ้าวันเนี้ยผมผมผมเป็นคนที่กําลังฟังฟังรายการนี้อยู่เกิด ตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่ผมจะเป็ น, เ ป, นเป็นคนอื่นแล้วผมเป็นแฟนรายการคนหนึ่งที่กาลังนั่งฟังเรื่องนี้อยู่แล้วผมอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์ผมจะสะติแตกเลยนะคือโอ้โหเฮ้ยมันมันได้มันได้บรรยากาศมากมันมันมันมันวิวมาแบบแล้วคุณคิงเป็นคนที่ลําดับเรื่องได้แบบดีอ่ะขอบคุณครับมันเลภาพตามออกหมดเลยว่าที่คุณคิงกำลังถ่ายทอดออกมาโอ้ลมขึ้นเลยผมมันคืออะไร สองครั้งครับพี่ผมขอฟังกับน้องเขาเนี่ยเพื่อความละเอียดอย่างยิบเลยนะสองครั้งน้องเขาก็ไม่ว่าเลยเขาเล่าให้ฟังด้วยคือวันนี้ถ้าผมฟังนอนฟังอยู่ที่ห้องหรือว่าอยู่ที่บ้านนะเอาจริงๆนะคือผมจะติดทันทีเลยฮะวันนี้จริงๆผมจะไม่ฟังเขาไปฟังวันหลังดีกว่าคือไม่ไหวว่ะโูไม่ไหวฮะเรื่องนี้แบบโหดมากคือมันมันมันใกล้ตัวคุณคิงมันใกล้ตัวในในในที่นี้หมายถึงว่า ไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ของใช้ต่างๆตู้เสื้อผ้าของผมมันก็มีเปิดออกมาปุ๊บบานหนึ่งมันเป็นกระจกยาวอยู่แล้วอะ่ะลองคิดภาพอยู่แ้วถ้าฟังอยู่ช็อตนะแล้วอยู่ดีประตูห้องที่คุณอยู่แล้วประตูตู้ในห้องที่คุณอยู่อะ่ะมันเปิดแอดออกมาคุณทำไง <c oughs> อันนี้ผมคิดนะจึงตนาการตอนนั้นผมนอนฟังนอนฟังรายการที่แจงอยู่นี่แหละแล้ว ผมว่าผมผมฝันอันนผมว่าผมฝันนะแต่ผมก็มีความคิดเหมือนว่าือนเหมือนไม่ฝันเหมือนกันคือนอนฟังรายการพี่แล้วมันหลับวันแล้วผมจะไ ป, ปพักราแล้วผมดูเหมนว่าถ้าเกิดจะไ ป, ปพักรถผมจะไปนอนโรงแรมก่อนเพื่อเตยมตัวอีกวันห น, นึ่งการเช้าเนี่ยตีสี่ห้านะผมไม่ชื่อมอสายดีหมอ ต, าตอ่ายจังหวัดเลยเพื่อไม่ให้รถมาติดในกรุงเทพอืมอืมวันแล้วผมนอนฟังรายการที่ไม่แน่ใจเป็นเรื่องของไทรนะอืมผมหลับแล้วไอประตูชู้เคอผ้าในโรงแรมเนี้ยเนีมัน ลองนะอืมแล้วผมก็ทําท่าจะหลับต่ออืมชังหวันที่ผมชายตาไปตรงประตูมันมันแลบเดียวมันเหมือนคนยืนหันหลังให้เราแล้วหันหน้าเข้าประตูอ่ะอืมอืมผมตาสว่างอะผมไม่ได้นอนจนเท้าอะไรมันเหมือนจะกึ่งหลับกึ่งตื่นว่าโลกฝันหรือเราแบบฟังเรื่องผีมากไปนะเพราะนั้นก็ไม่รู้นะอืมมันเป็นถ้าคนอยู่ในห้องลักษณะที่เราไปฟังเรื่องเล่าที่มันพอดีเนี่ยมันจะสามารถหลอนได้มากเลยเป็นทีโอ้ยโอ้ย โอ้ว <c ska> ันนี้โอเคเข้าใจแล้วเรื่องที่คุณคิงบอกว่าฟังก็ต้องหดขาแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่ที่ฟังจบไปแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคุณคิงที่จะเป็นเรื่องมาตเตอร์พีสได้เลยฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของคุณคิงนะเล่าให้ฟังก่อนนะครับเพราะหลายท่านเพิ่งอาจจะเพิ่งเคยฟังเอ้ยคุณคิงมาแล้วเหรอคุณจะหนีบ่อยจังวะไม่คุณคิงมาเล่าเลยคุณคิงไปเอาเรื่องราวจากคนที่คุณคิงคุยด้วยผ่านทางเฟซบุ๊ก อ่านทางเพื่อนใน facebook ซึ่งคุณคิงเขาเป็นชอบเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้ววันดีคืนดีเขาทําำไลฟ์สดของตัวเองฮะเอาคนที่รู้จักพักพวกเพื่อนกันเฮ้ยใครมีเรื่องผีมาแชร์กันแล้วเขาก็เก็บเอาประสบการณ์เหล่านั้นของคนคนนั้นเนี่ยมาเล่ามาถ่ายทอดต่อได้แบบว่าโอ้โหเหมือนเหมือนตัวคุณคิงไปเจอมาเองอะ่ะโอ้โหฟังแล้วแบบอู้เรื่องนี้ผมขนลุกแบบไม่ลุกจิตตลบมั้ ฟังจนตัวเนี้ยมันมันปวดมันปวดหนังหัวไปหมดแล้วเพราะคิ้วผมจะขมวดตลอดเวลาเออมันปวดหนังหัวไปหมดแล้วตอนนี้แบบโอ้โหเฮ้ยโหดมากเรื่องเนี้ย่ครับทุกวันนี้น้องพลอยกับน้องดาวยังอยู่ด้วยกันไหมฮะอ่ารู้สึกจะแยกกันนะครับแต่ว่าก็มันเพื่อนกันอยู่แหละจะแยกกันอแยกกันอยู่แต่ว่าไม่ได้พักอยู่ด้วยกันละ ไม่ได้ทำกกันแต่ว่าน้องพรเขายังอยู่กับเพื่อนคนอื่นอยู่นะที่โทรยกันเพราะว่าเราก็คุยกันบ้างแล้วก็มีการกินกันบ้างโทรคยกันบ้างเราก็จะช่วงนี้ให้อยากลองถือตอบแล้วก็ไปดูเด็กเขาอ่านเสร็จเขาเห็นผมทำไรเสร็จปุ๊บเขาก็แบบพีิ่งนอนย่างหลัคุยเล่นกันอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กับเพื่อนอยู่แบบนั้นแต่ไอเสียงเนี้ยเสียงอย่างเงี้ยเอายิ่พี่แจ๊ดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเขาแต่วลองให้เขาถามพี่แจ๊ดดูพี่แจ๊ดลองคุยอยู่สิเขาอยู่คนเดียวแต่มีเสียงอะไรตลอดเลยนะจริงอ่ะจริงเน้่ยว่ะ อืมมเอาอะไม่ฟังกว่าม้องเขายังบอกว่าเขามีความรู้สึกเหมือนว่าวันเพนยังตามเขาอยู่นะเขารู้สึกว่าอย่างนั้นส่วนตัวเขานะอือเอาอะอืมม้องปล่อยให้คุณคิงคุยดีกว่าเพราะคุณคิงเคมาแต่ละเรื่องโอ้โหทั้งนั้นเลยอ่ะคือผมอะเเป็นคนที่เนี่ยผมบอมันอยู่ในจุดศูนย์กลางอย่างเงี้ยโอเคละแต่ถ้าให้ผมลงลึกไปมากกว่านั้นไม่ไหวจริงฮะคือผมก็ไม่ได้แบบว่า เก่งกาดอะไรขนาดนั้นคือเอาจริงๆนะผมเป็นคนที่กลัวขี้ขึ้นหัวเลยคน<อ>ะออเไรพี่แจคขวัญบอกด <ผม S 2> ้วยังว่าพี่แจําเรื่องต้องห้ามที่เราเจอเหตุการณ์ได้ไหมครับจำได้เมื่อข่าวนู้นเคยบอกว่ายังว่าน้องเจ้าของเรื่องเขาเป็นยังไงยังยังน้องเจ้าของเรื่องเขา摩托์ชนเขาครัแล้วก็กระดูกขาและริ้วขาดนะครับในวันนั้นเลยที่เราได้ผมฟังแล้นะ โอ้ยตอนนั้นที่เล่าให้ตอนนี้นที่คุณคิงมาคุยคุณคิงไม่ได้คุยเรื่องนี้หรือว่าคุณคิงนั้นตอนนั้นยังไม่รู้ยเยออพอเล่าให้พี่ฟังเสร็จเนี่ยผมสังเกตว่าน้องเขาหายเร็ประมาณสามวันออคือผมตังก่อนหน้าที่เล่าใพี่ฟังแล้วบอกว่าแต่เราไม่ได้เล่าเราแค่พูดว่ามีเรื่องนึ้เรื่อ ง, งต้องห้ามอเอาแค่จุดหลอนจุดหลอนอที่จะในรายการใช่ปุ๊ผมก็ว่าเอ้ยน้องเขาหายไปนานแล้วปกติในห้องไรสดผมเนี่ยเขาจะเข้ามาฟังออเขาก็ใช้ชื่อว่าหนูเบี้ยผมว่าเอ้ยสามวันมาแล้วนะไม่มี อวันนั้นผมแรกๆอยู่ตอนกลางวันผมก็ทัดไปเป็นไงบ้างครับเขาตอบผมกลับมาว่าพี่ชีงหนูเพิ่งรู้สึกตัวขอโทษด้วยไม่ได้เข้าไปดูเลยผมว่าอ้าวเป็นอะไรออรถหนูชนพี่ชนวันนั้นเลยแหละหลังจากที่ไปทําบุญตอนเช้าและกลางวันก็ทดชนเลยออืเฮ้ยกระดูกหัวเข่าหักขาหักแล้วก็นิ้วขาดชนเลยเหรอฮะครับแล้วเป็นควเกี่ยวไหม่ะเพราะเขาไม่อยากให้เราเรื่องของเขาอ่เฮ้ยแรงมากนะ ครับตอนนี้น้องก็ยังอยู่ในเฟซเดี๋ยวผมดูได้ยังนอนเเหมือนเพิ่งกลับมาบ้านยังเดินไม่ได้เลยตอนนี้ครับน้องขวัญน่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่น้องเดียครับน้องเดียคนละคนโอเคน้องเดียที่เล่าเรื่องวันนั้นแล้วแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราเราต้องต้องหยุดเรื่องเรื่องนั้นไปจําได้หลายคนผมว่าอันนี้ยน่าไปฟังย้อนหลังลองฟังย้อนหลังไลฟ์ฟังเรื่องของคุณคินดูฮะทางใน y o u ูทูบตอนนี้เยอะมากเลยผมบอกเลยว่าตอนเนี้ย เรื่องของ The Ghost Radio ที่อยู่ในยูทู e ตอนนี้แบบโอ้โห <c oughs> คือมันมันมันท่วมยูทู e ไปแล้วฮะมันมันเยอะจริ ง, รงลองไปไลฟ์ฟารมย้อนหลังดูแล้วก็จะเข้าใจว่าเอ้ยเรื่องที่ที่เล่าวันนั้นมันมันคืออะไรยังไงแต่ผมแค่ตกใจว่าเมื่อกี้ผมผมพูดอะไรไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยน้องเขาดูวชนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งรูปให้พี่แจ็คดูแล้วกันอยา่อนน้องเให้พี่แจ็คดูใช่ครับเฮ้ย เข่าหักเลยเขาบอกเข่าหลุดเข่าแตกเลยเนะี่ยแล้วก็ขาบ่าจนตอนนี้ยังเดินไม่ค่ได้เลยพี่ดีนะวันนั้นเราไม่ฝืนกันนะคุณคิงโอ้พี่ผมไม่ได้ฝืนหรอกเพรนวันที่ผมฟังน้องเขาแล้วผมพยายามจะเล่าเยอะไม่ได้สามครั้อ ง, ง, งนะอเทปมันตัดแล้วทู้เย็นผมอยู่ไ้านนะี่ะพี่มันมีเสียงเหมือนคนตกตัง้งแล้วผมนั่งมองหน้ากันอนะ่ะอืมีคำอยู่ได้ตู้เย็นไว้แค่มี้นะกูก็ไม่ได้เดินเลยฉันก็แค่ดประตูในห้องมันก็เปิด แอบเหมือนเหมือนแบบที่เราแง้ไม่หน <ijo> ่อยหนึ่งแล้วมันเหมือนแง้ให้กว้างหน่อยเพื่อที่เพื่อที่ขนาดคนจะเดินเข้าได้อแอบแล้วก็ขึ้นเสียงเหมือนคนเดินเท้าเปล่าแต่เดินลูดกับเบื้องที่พื้นผมเลยยกมือไหว้บอกเอางี้ถ้าคุณแม้ให้เล่าผมขออีกเทปหนึ่งขครั้งเดียวถ้าไม่เล่าผมจะรู้ว่านี่คือเรื่องต้องห้ามออืผมจะเนินเรื่องผมไปครึ่งมือปั๊บคนอื่นบอกไม่ได้ยินเลยเลยไม่ได้ยินเลยเลยผมเลยบอกผมไม่เล่าแล้ว ผมทัญญาผมไม่พูดเรื่องของคุณล عم, ไม่พูดเลยไม่พูดทุวคนให้ใครถามผมบอกผมไม่พูดไม่พูดและยิ่ง น, น้องเบียร์บอกว่าเขาเจอกันผมบอกผมไม่พูดเด็ดขาดเลยขยยังไงก็ช่างใส่หาเอาเองถ้าน้องเบียร์เขายังกล้าเล่าอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าแล้วละ่ะโอเค อ่าได้ฮะคุณคิงเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวผมว่าเดี๋ยวนี้เราเราค่อยคุยกันในในโอกาสต่อไปนะฮตอนนี้เราเลยเวลามาเม่มผมยังมึนบึนงงงอยู่ว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรอเมื่อกี้หลายคนเข้าม า, าได้ยินเสียงสวนไม่ใช่นะเสียงสาวนะฮะผมบอกไว้ก่อนเมื่อกี้ก่อนหน้าเ น, นี้มันแจฉเป็นเสียงซาวเลยซาวเลยฮะผมเปิดซาวไว้นะครับอ่าได้ฮะคุณคิงโอ้โหวันนี้มาแบบปิดท้ายได้แบบว่าโหดร้ายมากบ้านไปจะนอนได้ไหมเนี่ย แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยใครที่อยู่ที่นครนายกเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับพรุ่งนี้ผมมีงานที่เขื่อนขุนด่านช่วงสักประมาณช่วงบา่บายนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานาร้องเพลงนะครับให้กับนายหลวงราชการที่เก้าจุดเทียนด้วยนะครับใครที่อยู่เขื่อนขุนด่านไปไปร่วม ง, งานกันได้นะพรุ่งนี้ผมจะเป็นพิธีกรที่นั่นด้วย เขาฝากแจ้งมาผมลืมเพิ่งมาคิดได้ช่วงท้ายนะครับงานนี้ก็จัดโดยภาคเอกชนแล้วก็ทหารนะครับท anyway ี่ท ja ี่จังหวัดนครนายกวันพรุ่งนี้นะใครว่างมปเจอกันนะครับเอาวันนี้ขอบคุณคุณคุณคิงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังนะคุณคิงเนาะ นะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องที่เราได้ฟังผ่านไปแล้วฮะเราต้องใช้ดุลยพินิษ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่มึงคิงเล่าเนี่ยโคตรตื่นเต้นเลยโหดเราเออนะครับแม่ตอนนี้ทีมงานของเรานี่เสียงเก็บของกันคืดคาดคืดคาดไวายจริงๆนะวายมาก เก็บของกนสรุกสนานเลยนะครับทั้งพี่บัตรผีหน้าหวานแล้วก็ฮันนี่ผีหน้าขาวตั้งชื่อให้น้องน้องฮันนี่ผีหน้าขาวนะครับอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่ t ด e g โก s เร a d โ o ของเราเหมือนเดิมนะครับสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับวันนี้ผมคุณคิงพี่บัตรผีหน้าหวานลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณคุณคิงด้วยนะครับครับเช่นเคยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ You're gonna i n d the worst